ก็มีทั้งพุทธคริสต์อิสลามฝ่ายอิสลามเนี่ยก็คือท่านทัดยีประยูนประธานยกุลทัดยีประยูนเนี่ยก็เป็นสหายธรรมของท่านเจา้าพุทธทาสพวกเราคงทราบอยู่แล้วว่าท่านเจา้าพุทธทาสนี้ท่านส่งเสริมการสนทนาวิสาสะระหว่างศาสนาเพราะว่าปณิธานข้อหนึ่งของอาจารย์พุทธทาสคือการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา ขอศาสนานั่นที่จะพาผู้คนให้พ้นจากอำนาจของวัตถุนิยมได้ท่านพระเจ้าพุทธกับท่านทัดจิประยูนก็คุ้นเคยกันดีมากนะท่านธัจิประยูนก็เคยได้รับเชิญให้ไปแสดงธรรมที่สวนโมกอยู่หลายครั้งเดี๋ยวนี้คงจะมีบรรยากาศแบบนี้ได้ยากนะเพราะว่าความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ระหว่างศาสนามันก็มีมากขึ้นนะ แต่สมัยก่อนน0 4 0ปีที่แล้วนี่มันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นท่านฮัตติประยูนก็มีความเข้าใจพุทธศาสนาดีวันที่ท่านได้ไปแสดงธรรมอภิปรายที่วชชนหลวงพ่อเทียนก็นั่งฟังอยู่ห่างๆไกลๆก็มีประโยคนึงที่ฮัตติประยูนพูดขึ้นมาว่าเมื่อใดมีเมื่อใดมีพระอเ ล, ล็กก็ไม่มีฮัติประยูน เมื่อได้มีขดีประยุนยก็ไม่มีพระอัลเลาะห์คนฟังก็งงนะแต่ว่าพอเสร็จการอภิปรายหลวงพ่อเทียนก็เดินตรงเข้ามาแล้วก็พูดกับขดีประยุนยว่าเห็นด้วยพูดถูกนะหลวงพ่อเทียนนี่รับรองนะคำพูดของหดีประยูนยเพราะว่าในในความ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 นี่พูดอย่างถ้าจากพุทธธาตนะซึ่งหลวงพ่อเทียนก็เข้าใจเข้าถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะใครก็ตามที่ยังมีความสุขเป็นตัวฉันเป็นนายกหรือเฉียนเป็นพระภัยสารเนี่ยจะยังมีความสาคัญมม่หมายมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่ายัางไม่ถึงธรรมแต่ถ้าถึงธรรมแล้วนี่มันไม่มีความสําคัญแม่หมา ย, มามายปเป็นอะไรเลยอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนใช้คําว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนะคือมันไม่มีความสําคัญแม่หมา ย, มามายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีความสึกว่ามีตัวกูของกู หลวงพ่อเทียนนี่เข้าใจนะที่ฮัดจีประยุนพูดทั้งๆ ท, ที่ฮัดจีประยุนพูดในมุมของศาสนา i สล a มนะแต่ว่าท่านเข้าใจคนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจว่าฮัดจีประยูนเนี่ยพูดอะไรนะแต่ว่าหลวงพ่อเทียนนี่ท่านก็ถึงแม้ว่าท่านมีการศึกษาน้อยนะในในเรื่องทางโลกนะเรื่องาศาสนาระหว่างาศาสนาท่านก็มีความรู้น้อยนะแต่ว่าท่านเข้าใจแก่นนะของธรรม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 ไม่สวดเลยนะพอสวดเสร็จก็มีการถวายปัจจัยเทวทานเจ้าภาพนี้ไม่ถวายท่านนะถวายรูปอื่นหมดแต่ไม่ถวายท่านเพราะเห็นว่าท่านไม่ออกแรงเลยนะไม่สวดอะไรไม่พูดอะไรเลยหลวงพ่อเทียนนั่นก็ไม่ว่าอะไรนะแต่พอเสร็จพิธีท่านเนี่ยท่านก็พูดกับเจ้าภาพนะว่าเนี่ยไอการสวดไอการต่ออายุนเนี่ยนะที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่การนิมนต์พระมาสวดมนต์นะแต่คือการที่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 มากราบโยมได้ยังไงนะหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่ได้กราบอัตมาไม่ได้กราบโยมอัตมากราบตัวเองที่สามารถจะสอนให้คนเข้าใจว่าการต่ออายุที่แท้เนี่ยมันคืออะไรนะท่านเรียกว่าไม่มีความถือเนื้อถือตัวเลยนะแม้จะแม้จะสอนโยมให้เข้าใจว่าการต่ออายุแม่ที่ดีเป็นอย่างไรนะท่านก็พร้อมที่จะกราบให้เขาดูให้เาให้เขาทำนะตาม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 ก็เลยมีคนขนานนา ม, า ม, ามนท่านสอนเหมือ น, นอาจารย์เซนนะสอนเหมือนเซนเลยนะเพราะว่าเซนนี่เขาใช้คำพูดน้อยแต่เขาใช้การกระทาหรือเขาใช้วิธีการที่กระตุกความรู้สึกกระตุกความนึกคิดของผู้คนน ะ, ปะเปลว่าบางทีเหมือนกับฉุดพรมฉุดพรมให้คนที่ยืนอยู่บนพรมนีนะ่กระแทกพื้นก็นมีนะ